พระบัญญัติห1ัก็ดภิกษุณีใดใช้เครื่องประดับเอวต้องอบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งจบ